ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสีปทุมกำลังนำเสนออุโบสถัดสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยต้นเหตุให้พุทธเจ้าไม่กระทาอุโบสถร่วมกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ใน ก็น่าจะเป็นตระกลางหรืออาจจะปลายพุทธสมัยและจากนั้นก็ท่งแสดงธรรมะไปเทียบกับองค์ของมหาสมุทรแปดประการด้วยกันกวนกองก็ได้พูดถึงเรื่ององค์ประกอบของมหาสมุทมาแล้ววันนี้ก็จะกล่าวถึง ธรรมะที่เทียบกับองค์ประกอบแ่งมหาสมุทรตะวันก่อนก็ได้พูดกันมาสองข้อนะครับข้อแรกคือในพระธรรมใ น, นนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทาไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับ ไม่ใช่ว่าจะมีการบรรลุอรตัตผลโดยตรงมีลักษณะเหมือนกับมาสมุดที่มีลักษณะลาดลึกลงไปโดยลำดับเพราะเรจะเห็นว่าการศึกษาธรรมะในศาสนาถ้าหากว่าเรากราวโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญา ในความเป็นศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นเรื่องปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับนามรูปด้วยกันพนูดง่ายๆว่าเกี่ยวว่าขั้นห้าด้วยกันแต่จะมีความลึกซึ้งลงไปโดยลำดับศีล ส, สงบที่กายกับสงบที่วาจาสมาธิสงบที่จิตพอ ม, มาถึงปัญญาก็สงบได้ทั้งหมด คือทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ทั้งใจแล้วก็กิเลสเป็นการสงบประงับดับไปโดยสิ้นเชิงแนวการเรียงไปโดยลำดับเนี่ยเราทำให้เราเห็นว่าสิขาบทที่แปลว่า9ก้าของการศึกษาหรือบันไดของการศึกษาแต่ละเก้าเป็นการปรับสภาพจิตของคน ให้มีความประนีตขึ้นแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเมื่อได้ธรรมะเป็นเรือนจิตสักข้อหนึ่งก็จะแตกกิ่งก้านสาขากระจายตัวเองออกไปเช่นในคนเรามีเมตตาในคนสัตว์เรามีเมตตาในวัตถุสิ่งของเราไม่มีความโลภ ในคนและสัตว์เนี่ยแล้วก็สิ่งด้วยนะเรามีความรู้ความเข้าใจที่จะรู้เห็นตาความเป็นจริงจิตใจก็จะทำปฏิกิริยาต่ออารมณ์เหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติไม่เกิดยินดียินราย่างสามัญชนโดยทั่วไปเมื่อการบรรลุเองก็ที่จริงก็บรรลุไปตามลำดับ หมายความวิญญาณที่เกิดในเรสสัตว์สีเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึนข้นไปตามลําดับเพียงแต่ว่าเขาเกิดเร็วแต่จริงแล้วก็มีลําดับของเขาคือขณะเขาสั้นคือบางครั้งบางคราวก็ฟังเทศครั้งเดียบรู้มัผลเป็นพระหันเลยแต่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตที่จริงเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ มันไม่ใช่รวดเดียวเป็นพระหันพวกาญานสามคือสัจญานกิตยานกตตยานที่เกิดขึ้นในเรียสัตสีเนี่ยแล้วเกิดขึ้นไม่ต่างลำดับถึงจุดหนึ่งก็เป็นพระโสดาสุดหนึ่งก็เป็นพระสัง ก, กัล า, าคาจุดหนึ่งก็เป็นพระนาคาจุดหนึ่งก็เป็นพระหันเพียงจะเร็วมากตัวอย่างที่บอกว่าธรรมะพอละเอียดเนี่ยคือเขียนเป็นตัวอักษรมเยอะ แต่พูดโดยผลที่ปรากฏแก่จิตแล้วเป็นเรื่องทีเป็นข ณ, ขณะขณะเป็นขณะที่ทียิบแย่ๆกับกระแสไฟที่มันดับกระดับกระดับกระดับแต่มันเราก็มองไม่เห็นว่ามันกระดับยังไงแต่จริงก็กิดดับอยู่ทุกขณะประการต่อไปนั้นคือสาวกของพระพุทธเจ้านะครับ ที่มีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไต่สีขาจะไม่ล่วงสีขาบทที่พระเจ้าทรงมัญญะตอาไว้แม้ด้วยเหตุแห่งชีวิตหมายความว่าใครมาคมคู่มาคุกคามมาล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆท่านจะไม่ยอมล่วงละเมิดสีขาบท แต่ก็มีข้อที่น่าสังเกตนะทรงใช้คำว่าสาวกสาวกนี่แปลว่าผู้ฟังก็หมายความว่าผู้ที่ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์แล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสจนถึงจะออกบวชหรือไม่บวชผลเกณฑ์ของสาวกกจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าใน สังกับคุณที่ตรงกลางช่วงกลางนะครับหลังจากผ่านสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปฏันโนมาแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามว่ายาดีดังนี้คือใครบ้างแล้วก็ตอบว่าจตาริบุริสยกาีิคู่แข่งบุรุษทั้งสี่อัถฐปุริษบุกลาบุรุษบุคคลทั้งแปด เอสสะะกวะโตสาวกสังคโคนี้คือหมู่สาวกของพระพุมีบริบาจาวก็แสดงว่าการเข้าถึงความเป็นสาวกเนี่ยไม่อยู่ที่เพศอะมันอยู่ที่การปฏิบัติพัฒนาจิตมาจนถึงเป็นประสดาบันขึ้นนะเป็นประสดาบันขึ้นเพราะถ้าหากว่าเป็นสามัญชน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการต้องอาบัติการละเมิดสีขาวบทเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าความเผลอเร่อความล่องลืมความพลั้งพลาดขาดสติขาดสติบ้างไม่รู้ว่าเป็นอาบัติบ้างแล้วก็ไม่ละอายบ้างอะไรแต่ละก็แล้วแต่สรุปว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นสาวกลรจะ รับประกันยังไม่ได้ดังนั้นวินัยต่างๆนี่เราเห็นชัดเจนนะว่าทุงบัญญัติในแนวป้องกันไม่ให้พระนีเสี่ยงหรือภิกษุณีมีเสี่ยงเสี่ยงต่อการที่จะขาดจากความเป็นพระขาดจากความเป็นภิกษุณีวินัยก็บัญญัติกั้นเอาไว้จะดูแล้วคล้ายๆจะเป็นเรื่องยุมยิมนะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุบยิม แต่ถ้าเรามองในแนวเป็นอุบายวิธีในการฝึกนรชนแล้วถือว่ายอดเยี่ยมมากประการต่อไปนี่คนที่ทุติยิมีบาประธรรมมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดความชั่วไม่ใช่ไม่ใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติปรมงจันทร์ปฏิญาณว่าประพฤติป ร, ร, ปรมงจันทร์ เน่าในจิตใจชุ่มด้วยราคะเป็นรุุดอยากเชื่อสงม่ยอมดูร่วมกับบุคคลนั้นประชุมยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ในทํากลางสงแต่เขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเขาเปรียบเหมือนมหาสมุทรที่แม้จะเกลื่อนกลนไปด้วยซากศพด้วยสิ่งสพกร ก, กต่างๆปฏิกุลต่างๆเป็นนั้นมากเนี่ย เอ า, าจริงแล้วมอสมุดสัดขึ้นฝวางหมดมันก็ตกมันก็ตกไปได้นะฮะมันสิ่งต่างๆที่ตกลงไปในะมอสหมุดก็ตกได้แต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ซัดขึ้นฝั่งหมดคนประเภทเนี้ยมันก็ต้องมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยซึ่งเราต้องยอมรับว่าพระสาศาสนานี้เป็นที่ฝึกคนนะฮะเอาคนก็ไปฝึกแล้วก็ฝึกจากความไม่รู้ให้รู้ ความไม่สามารถได้สามารถไม่ดีให้ดีแล้วก็ฝึกกันไปเรื่อยๆขัดเกลากันไปเรื่อยอบรมมาไปเรื่อยๆพรา ะ, ะนันหลักการนักศึกษาบทจึงกล่าวจึงแปลว่าก้าวของการศึกษาหรือว่าขั้นตอนของการศึกษาจะมีความประณีตขึ้นไปโดยลําดับแต่ว่าคนเรามันมีความแตกต่างกันโดยภาตุโดยบารมีโดยะอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย จะยังไงยังไงเนี่ยความเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีอยู่ตลอดมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกขาเป็นขอเขาอย่างนั้นเองคือการคิดในแนวนี้ถ้าหากว่าคนพยายามคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็จะเข้าใจแต่ตามปกติแล้วคนมักจะมองพระคล้ายๆกับเป็นบุคคลสาเร็จรูป หมาความมาบวปรับกิเลสร่วงปุ๊บหมดเลยอย่างนั้นเดี๋ยวคาดหวังไว้สูงเพราะนั่นพอพระไปทําอะไรพรั้งพระเลยกาเกลี้ยวกลาดก็เป็นเหตุให้ตัวเองเกิดบาปเปล่าๆเลวไม่ขึ้นไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวสมมติว่าพระท่านเกิดทุตสีนขึ้นมามีพระธรรมอลาโมกขึ้นมามีความเน่าในอะไรก็ตามที่สนใจเนี่ย เป็นเรื่องบาปกรรมของท่านที่จะต้องชดใช้ประการสาคัญว่าเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมม่กรรมม่กำเนิดมีกรรมเป็นเป่าพันไมีกรรมไม่ที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันั้นคือสูตรเลยพราะถ้าท่านไม่ดีท่านต้องรับผิดชอบตัวท่านแต่เราไม่ดีเราก็รับผิดชอบตัวเรา ราในพระธรรมอินัยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการว่ากล่าวตักเตือนกันมีการลงโทษลงทันกันกันไปตามเหมาะสมควรเว้นไว้แต่ท่านเกิดไปประชิกขึ้นมานะกันอีกเรื่องหนึง่งเพราะเราจะให้สมบูรณ์สำเร็จเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือแต่ละอย่างเนี่ยพูดง่ายๆแต่ละอย่างเนี่ยทำไม่ง่ายแต่ข้อเดียว เะนนว่าเรื่องเงินเนี่ยนะทุกลำดับขั้นตอนที่เกี่ยวกับเงินจะมีลักษณะโปร่งใสบริสุทธิ์เนี่ยหายากรเรื่องศีลข้อที่หนึ่งคื อ, อยังน้อยเนี่ยมันก็มีความสะใจมีความยินดีในการพิบัติล้มตายของคนที่เราไม่ชอบ แล้วก็ทศาสุขเสียใจต่อคนที่เราชอบนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ก็แสดงว่าเอาให้ลึกถึงจิตเนี่ยที่จริงก็ค่อนข้างยากแต่เป็นเรื่องต้องพยายามพยายามได้เท่าไรก็พยายามกันไปประการต่อไปก็ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็น เ็เรียกว่าเป็นเผ่สังคมนะฮะหมายความมาเป็นที่รวมของกลุ่มคนทุกวันนะทุกเชื้อชาติทุกปพัตุ์สมัยสมัยนั้นคนก็แบ่งเวทวันนะก็รับสั่งว่าวันนะสี่จำพวกคือกษัตริย์ปรามแพทย์สุทร ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมินินนี้ ต, ตระท่าโคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตเดิมถึงนับการวาสันนสักยบุตรพะจันทานก็เป็นสัมปนสักยบุตรเป็นสูตรก็เป็นสัมนาสักยบุตรเป็นแพทย์ก็เป็นสันาสักยบุตรเป็นพรามก็เป็นสัมนาสักยบุตรคนจะให้ความเคารพกันตามลำดับพรรษา ซึงใกล้ๆกับที่พวกศักยะเขาออกบทแล้วก็ให้เราบาลีออกบทก่อนเนี่ยทั้งๆที่อุบาลีเป็นคนชายของตัวแต่ต้องการจะลดทิฏฐิมานะของตัวเองเพราะบาลีก็เป็นคณาจารย์นะที่หลังเนี่ยเป็นคณาจารย์ที่สืบต่อสายของพระวินัยเนี่ยคือพระในยุคที่ ท, ที่ที่ทำงานเป็นหลักมาเนี่ย เป็นการสืบสายของพระอ น, นุนกับพระอุบาลีมาความเป็นลูกศิษย์สายพระอ น, นุนกับพระอุบาลีที่เป็นหลักต่อพระอุบาลีท่านก็สอนแตกฉานในสายของพระวิไนพระ น, น์ก็แตกฉานในสายของธรรมะก็เป็นคณาจารย์ทั้งคู่แล้วก็สืบมาเรื่อยๆอย่างก็ยกตัวอย่างเช่น พวกพระสังคีติกาจารในทุติยสังกยนานะครับมาทั้งหมดแปดรูปที่เป็นประธานเนี่ยเป็นลูกศิษปรานนลเชตหกรูปเป็นลูกศิทยปรา น, นรุษหรือสองรูปก็แสดงว่าดูแล้วก็มาจากสักยะนะหมายความเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็สายสักยะ ก็ค่ยๆก็ยังนึกถึงถึงคณะธรรมยุทธเนี่ยนะครับแล้วก็จริงที่สืบต่อกันมาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ตรงมาจากพระจงกรอย่างสายภาคใต้เนี่ยจากราชบุรีลงไปจากเพชรบุรีราชบุรีเนี่ยนะลงไปถึงทางใต้เลยเป็นสายสมเด็จพระวรรณรัฐทัพพุทธศิริอดีเนนจ้าวาดวาดัดสมณ ส, สวิหาร ทางอีสานก็ไปสายหนึ่งชื่ออาจารย์ธรรมีหรือธรรมาอะไรอย่างเงี้ยสืบต่อกันไปอย่างเงี้ยก็ยังนึกขานะครั บ, บางทีเนี่ยพระไม่มีครอบครัวแต่มีลูกเยอะแล้วก็เป็นทายาทเยอะนะสืบต่อได้ศา ส, สนาถ้าส่งพระไปเนี่ยสืบต่อได้เพราะพระมีทายาท เป็นสติวิริอันเตวสิกแต่ถ้าทรงโยมไปเนี่ยมันก็ได้ชั่วยุเขาอย่างในสมัยตัิยาสังคยาครั้งที่สามเนี่ยที่พระมกขลีบุตริสเตราะกับพระเจ้าโศกส่กงพระธรรมทูตไปเก้าสายเนี่ยจริงจริงอีกสายหนึ่งที่เข้าไปทางกรีกเขาก็กลัวว่าเป็น พระนี่จะลำบากในการอยู่ในการฉันนะฮะเลยส่งธรรมะมาอามาไปพะหมดอายุท่านก็จบแต่มันก็เป็นเหตุได้เกิดปรัชญา ร, ระบบสโตอิซึมของเซโนที่กรีกนะ ย, ยวเราไปอ่านแล้วเนี่ยจะเห็นว่าบางตอนนี่ลอกไปเลยเนะฮะ เป็นประญาแต่ว่าไม่ใช่เป็นศาสนาเป็นประยาเพราะานักเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ชาวพุทธเราบางทีในโบสถ์เนี่ยมีคนทุกขสั้นววนนะแต่บางทีก็ตลกเหมือนกันนะคือไปแย่งที่นั่งกันไปจองที่นั่งแล้วไปแย่งที่นั่งกันสแสดงว่ายัางมีความไม่รอเป็นเขาอยู่เยอะ เราสรุปก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องพยายาม嘛เป็นเรื่องที่ต้องพยายามก็พยายามไปจนกว่าจะประสบผลระดับใด ร, ระดับหนึง่งก็ต่อไปเนี่ยภิกษุเป็นนันมากจะไปนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานะธาตุนิพพานไปเท่าไหร่ก็นิพพานเด้ นิพพานเนี่นยเท่าเดิมนิพพานไม่พร่องหรือนิพพานไม่เต็มหมายความว่าแม้คนทั้งโลกมาปฏิบัติจนบรรลุพระพุทธนิพพานกันหมดนิพพานก็มีเท่าเดิมแค่แค่กฐามาเนี่ยให้ลองสังเกตุกฐามะเช่นสมมุติว่าศรัทธาอย่างนี้คนมีศรัทธากันหมดในโลกเนี่ยศรัทธาก็ยังเท่าเดิมไม่เต็มขึ้นแล้วก็ไม่พร่องไปเพราะก็เป็นนามธรรมนะฮะ นำามาทเนี่ยเขาไม่พร่อง ใ, ใกล้ๆพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราปฏิบัติสัมผัสปัญญาคุณของพระองค์บริสุทธิคุณของพระองค์มาคุณอาคุณของพระองค์สัมผัสไปเถอะพระคุณก็ยังอยู่ท่าเดิมเองเพรา ะ, ะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์หมายความว่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับนะว่าความช่วยเห็นก็ตามเดิมเหมาความคนช่วยตะไหร่ความช่วยไม่อยู่ท่าเดิม ไม่พ้องไม่ลถเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่หลักที่ต้องปฏิบัติเป็นหลักที่ควรงดเว้นแล้วก็ไม่ออกมาพูดไว้ในพระบาลีตรงนี้แล้วก็รับสั่งว่าเรียบเหมือนแม่น้ำทุกสายในโลกเนี่ยย่อมไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงในมาสู่มหาสมุทรมหาสมุทก็ไม่ปรากฏประครองและไม่ปรากฏประเต็ม ผลเป็นสูตรั้งหลายที่บรรลุมผลเป็นพระอารหันต์อนุปาทิเสสนิพานเนี่ยแปลว่าดับกิเลสแล้วก็ดับขันคือนิพานในปริยายปริยายหลักเนี่ยปริยายหลักก็จะแสดงไว้สองสองระดับระดัหนึ่งเรียกว่าสัปุปาทิเสสนิพานหมายความมากิเลสดับแต่ว่าชีวิตยังอยู่ก็เรียกว่ากิเลสดับเงเหลือเบญจขันคือชีวิตนยังอ ย, งอยู่ ทีนี้ประเภทนี้มีอธิบายอยู่สองแนวแนวหนึ่งหมายถึงนิพพานของพระโสดาถึงพระอนาคาถ้าถ้าถ้าจัดอย่นี้อนุปาทิเสาสานิพานนะท่านหมายถึงของพระอระหันต์แต่ในขณะเดียวกันก็บางทีก็หมายถึงนิพของพระอระหันต์นั่นเอง แต่ถ้าท่านมีชีวิตยอยู่นี่เรียกว่าสาวปฏิเสสนิพานถ้าท่นดับกิเลสก็เรียกวานุปาดดับกิเลสดับชีวิตนะฮะเรียกวนอนุปาติเสสนิพานแปลว่าดับทั้งกิเลสแล้วก็ดับทั้งทั้งขันในขณะเดียวกันนิพพานธาตุเองก็ไม่พ่องไม่เต็มไม่เต็มด้วยภูบรรรุนะฮะจะเป็นภิกษุหรือเป็นอะไรก็ตาม นี่เป็นความอัศจรรย์ประการที่ห้าแล้วก็รับสั่งว่าประการที่หว่าวิสูตทั้งหลายธรรมในนี้มีรถเดียวคือวิมุติรถวิมุติรถแปลว่าจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสนั่นคือเนื้อหาสาระนะเนื้อหาสาระทั้งหมดก็มาอยู่ที่วิมุติคือบางทีเป็นการแสดงแก่น แก่นในบางทีแสดงหมดทั้งห้าแต่ส่วนใหญ่นี่ยจะเน้นที่วิมุตติรสคือศีลก็ถือว่าเป็นแก่นสมาธิก็เป็นแก่นปัญญาก็เป็นแก่นวิมุตติก็เป็นแก่นนะวิมุตตนะิญาณทัศนะคือความรู้เห็นในวิมุตต์ภายในใจของตัวเองก็ถือว่าเป็นแก่นแต่โดยหลักแล้วเนี่ยจะใช่วิมุตต์เป็นหลั ก, กเป็นแก่นแต่อย่าลืมว่ามันก็มาด้วยกันหมายความว่าถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์ก็ไม่เกิด วมุตตก็เป็นผลเป็นผลรวมของศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์สมาธิปัญญาที่สมบูรณ์นั้นก็เกิดเป็นญาณพุดขึ้นภายในใจเพราะญาณเนี่ยมันก็ดับวิชาพอดับวิชาแล้วจิตก็วิมุตต์ขึ้นหลุดพ้นหลุดพ้นญาณมันก็พุดขึ้นภายในใจรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้ว ก็เป็นยานกับเอ่ยยานวิมุตมติยายนลัทธินะเนี่ยมันเป็นเป็นผลต่อเนื่องกันมาจากความสมบูรณ์ของใจสิกขาหรือสมบูรณ์ของอริยมรรคเพรมีรสเดียวมันก็เปรียบเหมือนกับมาสมุทรมีรสเดียวคือมีรสเค็มการที่พระธรรมวินัยมีวิมุตติรส ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติของคนในยุคก่อนเนี่ยมันก็มีการบรรลุเขาก็คิดว่าเขาบรรลุอ่ะอย่างน้อยก็คิดว่าเขาเป็นพระอรหันต์แต่ว่าจริงกิเลสมันไม่พ้นไม่ไม่ไมลหลุดพ้นไปจากกิเลสข้อต่อไปก็เป็นข้อที่เจ็ดเป็นเรื่องใหญ่นะ รับสั่งว่าพิสูจน์ทั้งหลายธรรมินยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดในธรรมินยนี้มีรัตนะเหล่านี้คือโดยเน้นไปที่โพธิปึกปัจจียธรรมส7มสิบเจ็ดข้อนะฮะก็ในจริงถ้าเรามาเรียนตั้งแต่นคํารรมนตรีแต่ว่าองค์ธรรมเนี่ยก็กระจายอยู่ในหมวดนะเพราะว่า หนังสือนกกว่าดเนี่ยก็เรียงเป็นหมวดจากสี่จากห้าสี่ห้าเจ็ดแปดนะก็สี่ก็คือสติปัฏฐาน 4. สี่สติปัฏฐานสี่คือการใช้ความเพียรตั้งสติสัมมัญญะระลึกรู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรม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 ในแง่ของความจริงเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็หมดแล้วนะฮะเป็นปริยายเทศนาแต่ถ้าพูดระดับอริยมรรติสติปัฏฐานสี่ก็คือสมาสติในอริยมรรตแล้วต่อไปก็สมปฏฐานสี่สมปฏฐานสี่ก็คือสมาวยามะในอริยมรรตและเราจะเจออย่างอื่นนะฮะคือ คือองค์ทำเหล่านี้ที่จริงก็ต่างกันที่ชื่อแต่ว่าเหมือนกันที่เนื้อหาเป็นอริยมรรคทั้งหมดเป็นอริยมรรคด้วยกันทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่พปิญญาด้วยกันได้ทั้งหมดายความเมื่อไปปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นทั้งหมดนั่นแหละเป็นทั้งสามถึงเจ็ดข้อเพราะว่าตัวที่ทำให้จิตบริสุทธิ์คือปัญญา หรือผู้ได้ถูกก็คือตัวยานนะนะมันเป็นผลมาจากปัญญาอีกทีหนึ่งแต่ว่าบางทีก็จะเรียกปัญญาอยู่มากนะฮะเรียกปัญญาอยู่มากเพราะว่ามัน่า จ, จะเข้าใจง่ายกว่าแต่บางทีก็เรียกสรุปจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างแลเรียกรวบกันไปเลยคือห้าชื่อก็หมายถึงปัญญาหรือตัวยานตัวเนี้ย คำประธานสี่ก็คือสังวรประธานเพียรระวังไม่บาปเกิดขึ้นในจิตสันดานปานาประธานเพียรละบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วภาวนาประธานเพียรให้กุศลคือความดีเกิดขึ้นในจิตและอนุรักษณาประธานเพียรพยายามรักษากุศลคือความดีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ให้เสื่อมไปแล้วก็อธิบัติส อิจบาศีก็คือฉันทะความพอใจรักใครยินดีนะในกุศลนะหมายความต้องยินดีในสิ่งที่เป็นกุศลยินดีในอะไรก็ได้ยินดีในศีลในสมาธิในปัญญาในการพัฒนาจิตก็ถือว่ายินดีแล้วก็เข้าไปที่วิริยะคือความเพียรพยายามพอเพียรพยายามก็อีกอะก็คือสภาวะยามะในจิตต่คือจิตใจมุ่งมั่นจดจ่อ อา จ, จิงอาจังมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติใจม่วนจดจ่ออยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็วิมังสาบตรงนี้เป็นปัญญาที่ทรงใช้แผกออกไปเป็นเรื่องลักษณะของจิตที่กรรองสอดสองปินิพพิจนาทุกลำดับขั้นตอนของก่อนจะปลุกฝังความพอใจก็ต้องผ่านการกรรองมาก่อน ในขณะที่มีความเพียรก็มีปัญญาจำกับในขณะที่มุ่งมั่นอยู่ก็มีปัญญาจำกับคือถ้าเราดูลักษณะของจิตเนี่ยขององค์ธรรมเนี่ยมันจะหมุนเปมีลักษณะหมุนแบบปริยมัคเนี่ยคือจะหมุนเป็นวงกลมแล้วก็หมุนช่วยกันแต่ถ้าสะดุดจะสะดุดเช่นสมมติว่าเราพอใจเราใช้ความพยายาม ผิดใจจดจ่ออยู่แต่ว่าอุ้ยมังสาเกิดพิจารณาว่าตรงนี้มันผิดพอผิดก็หยุดเลยตรงนี้ไม่ดีความชอบมันหายพอการเป็นปเรื่องที่เราสังเกตคือคือสังเกตแล้วเนี่ยเห็นว่าอุ้ยมังสาต้องเกิดก่อนเพราะถ้าไปนั้นเราจำแนกไม่ถูกว่าอะไรควรชอบหรือไม่ควรชอบมันเกิดทำไปชั้นทะเนี่ยมันต้องผ่านการคิด การรับรู้มานะฮะการรับรู้มาเขาเรียกว่ามาจากเนี้ยปรตโตโคสะคือเรียนรู้จากข้างนอกหรือว่าโยนิโสมนสิการะเนี่ยเริ่มเกิดทันธาวิทยาจิตตาวิมันสาก็หมุนกันอยู่อย่างนี้จนคุณยย่างนึกถึงภาพคล้ายๆเรากวนขนมหมนะฮะจนกว่าจะผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแบบอริยมรรต์แต่การต่อไปก็คืออินรียห้าเรื่องใหญ่เลย อินทรีห้ากับพระละห้านี่ที่จริงเป็นอันเดียวกันแต่ว่าพูดกันคนละช่วงอินทรีนี่พูดเมื่อมีพลังที่จะยืนจัดอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคือหมายความว่าอนตัวพระรธรรมหน้าที่ขจัดขจัดปฏิปกักษธรรมคือสิ่งที่ตรงกันข้ามประตนออกไปทันเดียวสถาพระ วิยาภาละสติภาละสมาธิภาละปัญญาภาละคือหมายความมาตัวภาละเนี่ยคือยังนึกถึงพลังชีวิตนนหนังสือของศาสนาคริสต์คือเราก็ไปตื่นเต้นอะไรมากไปหน่อยนะนจริงการแจกหนังสือในลักษณะนี้มาแจกท่วมแผ่นดินนะคัมภีร์เบิล์ก็ยังสั่งพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยตั้งร้อยห้าสิบล้านเล่ม ทั้งทังที่ประเทศไทยมีประชากรหกสิบกว่าล้านคนกันแจกก็แจกไปก็อยากจะอ่านคนคนก็ตื่นไปเองเองอยากอ่านคือถ้าหนังสือเล่มเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงคนไทยจากพูดเป็นคลิดได้ก็ปล่อยเข้าไปเถอะถแสดงว่าอายุก็ไม่มีคุณภาพอะไรหรอกพลังเนี่ยเรามีนะ แต่ว่ามีจากข้างในอ่ะไม่ใช่มีมีจากข้างนอกเป็นศรัทธาพลังกําลังคือความเชื่อทําหน้าที่ก็จัดความไม่เชื่อออกไปแล้วพลังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจนขจัดความสงสัยออกไปแล้วเพิ่มขึ้นจนขจัดโลภะออกไปโทสะออกไปนะมโมหะนั้นมันก็ถูกขจัดไปแล้วนะตั้งแต่ต้น แต่วิริยะเนี่ยวิริยะพระเนี่ยมันทำหน้าที่กระจัดความเกียดคร้านก็เรียกว่าโกศ ช, ชะหรือมหาโกศ ช, ชะคือความเกียดคร้านขนาดหนักแล้วก็พอความเกลียดคร้านมันไม่คํานึงตัวอุปสรรค์พอถูกกระจัดแล้วไม่คำหนึงตัวอุปสรรคคนที่มีวิริยะเนี่ยวิริยะแปลว่าวกล้าหาญนะั่นที่จริงวีรนะวิริยะแต่เราพิมพ์กันยังไงเขียนกันยังไงมั้ มาเหลือเป็นวิริยะโดยพพวกความเพีย น, นี่ยงก็คือวิริยะแตรเรวา่าแผลงเว้นของมาเพียรก็คัดจัดความเกียดครานได้ปัญหาภาษาอันตรายขวางนามหลุมบออ่ออะไรต่างๆก็ไม่คำนึงแล้วพวกนี้ก็แข็งแต่อย่าลืมน ะ, ะว่าวิริยะนี่ก็คือสมาวัยมะ แล้วก็สติเนี่ยทำหน้าที่ขจัดสติสัมโมสาคือความลงลืมความเลอะเลือนความเผลเรความพลั้งพลาดของประขาดสติพอโดยเนื้อหาจริงๆก็คือสมาสติหรือสติปัฏฐานสี่แล้วก็สมาธิทาหน้าที่ขจัดเขาเรียกว่าจิตตะวิกเขปะคือความฟุ้งซ่านสัดสายพร่านไปแล่นไปของจิต แล้วก็ปัญญาปัญญาทาหน้าที่กระจัดโมหะพอกระจัดธรรมะมีกำลังยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่พวกนี้ไม่มาบวแวร์ได้เนี่ยร่าการเปินทีคือเป็นใหญ่ศรัทธาก็เป็นใหญ่ในความเชื่อวิริยะเป็นใหญ่ในความเพียรสติเป็นใหญ่ในการระลึก สมาธิเป็นใหญ่ในการทำจิต้ตั้งมั่นก็ปัญญาเป็นใหญ่ในความรู้ตัวนี้ท่านสชาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าก็คือก็คืออริยมรรคอีกแหละแล้วก็ต่อไปพชฌงเจ็ดโพชฌงแปลวองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมคือโพชฌงเจ็ดประการก็คืออริยมรรคอีกอก็คือสติก็แก่ได้แก่สัมมาสติ ธรรมวิจยะได้แก่สมาธิสติสมาธรรมิสังกปะวิริยะได้แก่สมาวิยมะปีติปัตสธิสมาธิเบียขาก็คือสมาสมาธิพวกนี้เป็นองชาญนะฮะเป็นองชาญก็ตกลงว่าอะไรล่ะตกลงว่าเป็นจิตสิกขากับปัญญาสิกขาแล้วข้อนนอริยมกุลแปดประการก็สมบูรณ์นะฮะคือทจริงก็สมบูรณ์ในทุกข้อนั่นแหละ เพียงแต่ว่าอะไรมากไปงแปประการก็บอกมาทั้งหมดก็สมาธิสิสมาธังกัปะเป็นปัญญาสมาวิจารสมมากรรมตะสมาชีวก็เป็นศีลสมาวิยามะสมาสติสมาสมาธิก็เป็นสมาธิแตตกลงว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นปัญญาศีลสมาธิ เพราะงั้นมันก็เทียบกับมหาสมุทรที่สมบูรณ์ด้วยแก้วรัตต น, น, น, นานาชนิดที่สมงยกตัวอย่างเนี่ยแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไผทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วมรกตก็ไม่ใช่นเล่นน่ะนะแต่เรื่องเหล่านี้ถ้าเราดูในคมภีรเราพุทธศาสนามาเริ่อมารื่มันนานมาก คือยังคิดถึงนักธรณีวิทยานะฮะนักพวกโบราณคดีทั้งหลายที่ศึกษาคนควา้าเรื่องอายุของโลกเนี่ยอายุของโลกที่เขาค้นได้มันต่างกันเยอะกับอายุของพุทธของพระพุทธศาสนานี่แต่ละคำมันไม่รู้เท่าไหรอ่อสงไถยอย่างเงี้ยกับอย่างเนี้ยพัทธรกับอย่างเงี้ยอนั น, รน ต, ตรกับอย่างเงี้ยสังวตวิวัตกับอย่างเนี้ย ไม่รู้เท่าไรอะ่ะอายุโลกมันมันมันนานได้เกิดตรงนี้ก็ย้อนไปพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ว่ายังนึกว่าต่อไปวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าอายุโลกเนี่ยไม่เป็นอย่างที่เราพูดหรอกมันนานกว่านั้นถ้าอายุโลกเท่านั้นยังนึกไม่ออกนะะว่าก็แสดงว่าชีวิตเพิ่งเกิดขึ้นในโลกเพียงไม่กี่ปีนี่เอง มันจะหมุนวนอยู่ในตังศาเร้ว่าสเท่าไราแต่ว่าในแต่ละชาติแต่ละชาติของพรธเจ้ามันนับไม่ได้นะเจเพราะการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ตั้งแต่สมัยสุมเมรเป็นธุมเมศดํบบทมาเนี่ยมันก็เสียสงไขยกับแสนกลับอายุโลกมันถ้าตามนักวิยาศาสตร์ที่เขาว่าเนี่ยมันน้อยกว่า น, นั้นนะ แต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระญาณเป็นอตีตังสยานกยานในส่วนอดีตของพระองค์ไอ้ น, นี้ก็รอการพิสูจน์กันนะแต่สรุปไปแล้วว่าโลกมีมีอายุยืนยาวมากแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยประการต่อไปรับสั่งว่าตาบินในนี้เป็นที่พำนักอาศัยสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆ ่มีในนี้มีสิ่งสาคัญมีชีวิตใหญ่ๆเหล่านี้คือนะแล้วก็ทรงเรียงพระยะบุคคลเนี่ยพระยะบุคคลทรงเรียงเป็นสองแต่ว่าไม่ใช่เรียงแบบมักคือเป็นพระโสะดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลเป็นพระสักกามีแล้วก็ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระสักคามีผล และอนาคามีท่านและก็ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามีผลมันก็อยู่พวกมักเนะี่แต่ที่มัก ท, ที่จริงมันแพ็ปเดียวอ่ะสรุปว่า เ, าเช่นการปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมฏิบัติสมควรในสังกัลป์เนี่ยหรือสมัครพระทั่วไปเราก็ไม่พูดสมบูรณ์หรอกพูดแต่ว่าเป็นผู้พยายามปฏิบัติให้ดี นะพยายามปฏิบัติตรงพยายามปฏิบัติเป็นธรรมพยายามปฏิบัติสงควรกำลังพยายามนะฮะไม่ใช่ทำดีแล้วจนถึงกับก็เทียบกับมาส ม, มุทรที่มีปลาอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่น่าคิดนะุก๊กพวกนี้คือคือสรุปว่าปิชาความรู้ในปัจจุบันเนี่ยสมมุติไม่ถึงคือบางอย่างเนี่ยนะ่าจะเช่นเช่นพวกปลาทั้งหลายเนี่ย เดี๋ี่เขาเคยพบสัตว์ชนิดหนึ่งแถวอะไรแต่อังกฤษกับทะเลสาบอังกฤษที่ว่าตัวใหญ่มากใหญ่ยาวมากนะเนี่ย้ก็ถ่ายภาพไปด้วยแต่ว่าก็ไม่เห็นหมดทั้งตัวหรือแม้แต่แม่น้ําโขงก็เราที่ปรากฏว่ามีอะไรพญายนาคอะไรตไรที่ว่ากันเนี่ยคือสัตว์เหล่าเนี้ยที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยเราก็ไม่เคยพบไปนะฮะปราติมิ ปรติมิงคะระปฏิมิติมังคละอสูนาคนทันนาคนม่อย่างพอนึกออกนะะอสูนี่คืออะไรคนทันเนี่ยคืออะไรนะคนทันก็แสดงว่าอสูนก็เป็นพวกโอปปาติกะแ น, น, น่นอนแล้วก็คนทันก็เป็นโอปปปาติกะ มากนั้นก็คงจะเกิดในไข่หรือว่าเกิดในคันก็ไม่รู้นะะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นด้วยพยานพอมาถึงตรงนี้ก็ทรงเปล่งเป็นพระพุทธรูปานนะ พอดูพุทธทานเนี่ยก็ชัดนะว่าภิกษุรูปนี้คงต้องประราชิกเกี่ยวกับมีเพศสัมพันธ์บอกว่าฝนคือกิเลสย่อมรั่วรถสิ่งที่ปกปิดย่อมไม่รั้วรถสิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่เปิดเพราะฉะนั้นสิ่งเปิดพึงเปิดสิ่งที่ปกปิดไว้เสียฝนคือกิเลสย่อมไม่รั้วรถสิ่งที่เปิดนั้นอย่างนี้ อันนี้หมายความว่าความชั่วที่เราทำเนี่ยมันคาดไปแล้วคือก็เปิดเผยให้ปรากฏเพื่อตั้งใจสํารวนระหว่ังต่อไปทีนี้ถ้ายังปิดไว้มันก็กลายเป็นอึดอัดใจอยู่ข้างใ น, นอเรียกวิปฏิสานใจอยู่ข้างใ น, นมีความวิตกกังวลมีความหวาดระแวงมีความไม่เชื่อมัน่นในตัวเองกลัวต่อการโจมการทวงจากบุคคลอื่น ไม่องกอาจกลาหารในสถานที่ต่างๆผลปริยายตรงนี้ต้องมองกลับไปถึงปฐมเหตุนะปฐมเหตุนีเกิดจากพระที่ต้องประราชิกแล้วไปนั่งอยู่ในสงฆ์ก็ปกปิดตัวเองปกปิดความชั่วตัวเองเพราะงั้นเป็นการแสดงถึงการเปิดเผยความชั่วแต่ปกปิดความดีนะฮะศาสนาพุทธสอนให้ปกปิดความดีแต่เปิดเผยความไม่ดีของตัวเอง กระารภ า, าพความผิดกาบอกความผิดแก่คนอื่นแต่ก็ไม่ใช่สารภาพบาปอย่างศาสนาคริสต์คือบอกเพื่อตั้งใจสํารวมระวังต่อไปเวลาการแสดงอันบัติเนี่ยจะก็จะบอกว่าผมต้องอับัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนก็จะถามว่าท่านเห็นว่เป็นอับัติหรือเปล่าเราก็ตอบว่าผมเห็นว่าเป็นอับัตรท่านก็บอกไม่เป็นไรครับตั้งใจสํารวมระวังต่อไปก็แล้วกันเราก็าตอบว่าครับครับครับ ผมจะตั้งใจสำรวจระวังต่อไปนะเกี่ยเป็นบทบาลีนะสำรวจระวังต่อไปก็อาจจะต้องอีกก็พยายามแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆเป็นการเปิดเผยความชั่วของตัวเองนะเพื่อตัวเองได้สำรวมระวังแล้วคนอื่นจะได้สำนึกกวาดกลัวไม่ประพฤติไมก่กระทาด้วยทักฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจเริญมงอกงามไพบูรณ์ในธรรมตร้องมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี